เมื่อพัฒนาด้วยใจสิกขาชีวิตก็เป็นอริยมรรค า, าเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ศึกษาชีวิตต้องเป็นอยู่ดาเนินไปตลอดเวลาการที่ชีวิตเป็นอยู่ดำเนินไปก็คือการที่ต้องเคลื่อนไหวพบประสบการณ์ใหม่เจอสถานการณ์ใหม่ซึ่งจะต้องรู้จักต้องเข้าใจต้องปฏิบัติหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหาทางแก้ไขปัญหาให้ผ่านรอดหรือลุล่วงไปทั้งหมดนี้เรียกสั้นๆก็คือสิกขาหรือการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่ชีวิตจะเป็นอยู่ได้ก็ต้องศึกษาหรือสิกขาตลอดเวลาพูดสั้นๆว่าชีวิตคือการศึกษาหรือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีสิกขา หมายความว่ามีการเรียนรู้หรือมีการฝึกฝนพัฒนาไปด้วยพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการดำเนินชีวิตที่ดีจะเป็นชีวิตแห่งสิกขาไปในตัวเราเคยได้ยินว่าฝรั่งบางพวกว่าชีวิตคือการต่อสู้บางก็ว่าชีวิตเป็นความฝันแต่ถ้าพูดตามหลักพระพุทธศาสนาชีวิตคือการศึกษา ถ้าใช้ภาษาฝรั่งก็ต้องพูดว่า to live is to learn หรือ life is learning ตรงนี้ก็เป็นการประสานระหว่างการพัฒนามนุษย์หรือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าศิกขาหรือศึกษากับการดำเนินชีวิตที่ดีของมนุษย์ที่เรียกว่ามักให้เป็นอันเดียวกันคือการดำเนินชีวิตชนิดที่มีการศึกษาพัฒนาชีวิตไปด้วยในตัว จึงจะเป็นชีวิตที่ดีศีล ส, สมาธิปัญญาคือการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาหรือการศึกษาสามด้านที่พูดไปแล้วเมื่อขยายออกเป็นข้อปฏิบัติก็มาเป็นมัสมีองค์8นั่นเองในทํานองเดียวกันมัสมีองค์8เมื่อสรุปก็เป็น3คือศีลสมาธิปัญญา ฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาสามอย่างของตรายสิกขากับมักมีองค์แปประการจึงตรงกันกล่าวคือด้านศีลกระจายออกเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะนี่คือการใช้กายและวาจาให้ถูกต้องดีงามทั้งในการกระทำทั่วไปในการสื่อสารสัมพันธ์และในการเลี้ยงชีพให้ถูกต้อง ด้านจิตใจมีมากมายแต่ตัวนำสำคัญมีสามคือต้องมีความเพียรพยายามเดินไปข้างหน้าเรียกว่าสัมมาวายามะต้องมีสติเป็นตัวคอยจับคอยกำหนดให้ทำงานได้และเป็นตัวเตือนให้ไม่เผลอพลาดและไม่ปล่อยโอกาสให้เสียไปเรียกว่าสัมมาสติ ทั้งต้องมีสมาธิให้จิตแน่วแน่มีความสงบดำเนินไปอย่างมั่นคงเรียกว่าสัมมาสมาธิด้านปัญญาแยากเป็นสองคือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องและสัมมาสังกัปปะดําริถูกต้องคือวางแนวทางความคิด ที่จะนำชีวิตไปในทางที่ถูกต้องพอเริ่มกระบวนการโดยมีความรู้เข้อใจที่ทำให้วางแนวคิดถูกต้องทั้งเจตจำนงความเพียรพยายามและสติที่กำกับเป็นต้นมาสนองแนวความคิดนี้พฤติกรรมก็มาสนองเจตจำนงและความเพียรพยายามนั้นจึงดำเนินชีวิตไปด้วยการเรียนรู้ และปฏิบัติต่อประสบการณ์และสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องได้ผลดีไตรสิกขาก็มาประสานกับมรรคไตรสิกขาก็คือการพัฒนามนุษย์ให้ดำเนินชีวิตดีงามถูกต้องทําให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรคส่วนมรรคซึ่งแปลว่าทางคือทางดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ก็ต้องเป็นวิถีชีวิตแห่งการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนคือศิกขามรักกับศิกขาจึงประสานเป็นอันเดียวกันเมื่อมองในแง่อริยศสัตว์สีก็เป็นอริยมรักคือเป็นวิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็นมรักก็ดำเนินก้าวหน้าไปสูจ่จุดหมาย โดยกำหนดสมุทัยให้หมดไปเรื่อยๆช่วยให้เรามีชีวิตที่พึ่งพาอาวิชชาตันหาอุปาทานน้อยลงไปลงไปไม่อยู่ใต้อำนาจครอบงำของมันพร้อมกับที่เราจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นและดำเนินชีวิตด้วยปัญญามากขึ้นทุกก็จะน้อยลงสุขจะมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุ ก, ก็หมดก็บรรลุจุดหมาย เป็นนิโรธโดยสมบูรณ์